ภาวนาไปนะพวกเราแต่ละคนนะไม่ได้โง่กว่าหลวงพ่อหรอกถ้าวัดไอคิวจะฉลาดกว่าหลวงพ่ออีกแต่ความเด็ดเดี่ยวในการฝึกตัวเองสู้หลวงพ่อไม่ได้หลวงพ่อตั้งแต่เจ็ดขวบไม่มีวันไหนที่ไม่ปฏิบัติ ไม่มีใครบังคับให้ปฏิบัตนะิมันอยากทำเองวิธีเองกือท่านพ่อทีท่านสอนอนาปนาสติประกอบกับพุทธโธใหท้ทำทุกวันทำจนเราไม่ไม่สงสัยไม่มีความสงสัยค่อยๆภาวนาไปแล้วก็รู้ผลด้วยตัวเอง เชื่อพระพุทธเจ้ามีจริงคำสอนของท่านนำเราให้ห่างจากความทุกข์ออกมาได้เรื่อยๆใจเราเคยโสปลกมั่วแแม่มก็ค่อยสะอาดขึ้นสะอาดขึน้นเห็นด้วยตัวเองไม่เคารพแน่นแฟนในพระศาสนา ไม่ต้องฟังคำโฆษณาของใครเลยมันรู้ด้วยตัวเองตอนเด็กๆ ก, ก็แค่นั่งสมาธินะ่ะนั่งสมาธินั่งทีแรวก็นั่งไม่เป็นจิตมันสว่างออกมาก็ตามแสงออกไปข้างนอกมันมันดวงสว่าง ก็มองเข้าไปในแสงสว่างนะ่ตามมันไปจิตอยากไปรู้ไปเห็นอะไรมันก็ปรุงขึ้นมาให้เราดูปรุงสรคนปรุงเทวดาปรุงผีอะไรมาจิงหรือเปล่าไม่รู้ไม่มีข้อพิสูจน์ทางฟิสิกแต่มันเห็นได้แต่ว่าอาจจะไม่จริงก็ได้ เหมือนที่พวกเราตอนนี้เห็นหลวงพ่อไหมนี่อาจจะไม่ใช่หลวงพ่อจริงก็ได้เราจะฝันอยู่ตอนนี้ตอนสิบขวบไฟไหม้ข้างบ้านตกใจพอตกใจเนี่ยสติมันไปเห็นความตกใจเขนะ้ะที่แรกตกใจก็วิ่งนะจะไปบอกพ่อว่าไฟไหม้ ก้าที่หนึ่งไม่มีสติเก้าที่สองไม่มีสติเก้าที่สามมันเปิดสวิตช์ขึน้นมาจากข้างในสว่างพรึบขึ้นมาเลยสติมันอย่างรู้ลงไปที่ความตกใจจิตกระดีดพังขึ้นมาเป็นผู้รู้เลยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานความตกใจขาดสะบั้ไปเลยเด็กสิบขวบนะ ได้ภาวนามาสามปีแล้วตน่นนั้นก็โตขึ้นมาหน่อยก็อันนี้ตรงที่ไฟไหม้เนี่ยหลวงพ่อเห็นตัวจิตผู้รู้ครั้งแรกมันดีขึ้นมาเองโตมาอีกหน่อยเราก็อยากาทางปฏิบัติให้มากกว่าการรมอนาปนสติยามอ่านพยายามฟัง การพระไตรปิฎกยังจักหลักไม่ได้ไม่รู้จะเริ่มปฏิบัติยังไงตำลาก็เยอะแยะฟังคำสอนครูบาอาจารย์ท่านสอนเรื่องพุโทโธแล้วให้พิจารณาร่างกายเพ่าก็ลองลองพิจารณาร่างกายดูดูเรื่องแต่ผมพนอะดูลงไปเนี้ยสมาธิมันแรงนะผมมันสลายตัวไปหมดเลยแต่หนังศีรษะ ดูนังศีรษะก็สลายไปเห็นหัวกะโหลกนี่ยดูหัวกะโหลกน่ะหัวขาดหายไปเลยดูลงมาที่ร่างกายเนื้อนังหายไปเลยแต่กระดูกดูกระดูกนะกระดูกระเบิดกระจายเต็มพื้นเลยเป็นกรวดเล็กๆดูลงไปอีกนี่มันเป็นอย่างเป็นชิ้นส่วนของร่างกายดูลงไปอีกนะกระดูกนั้นสลายตัวกลายเป็นคลื่นแสง สลายออกไปกลืนเข้ากับจักรวาลถึงตัวนั้นเหลือแต่จิตดวงเดียวนะไม่มีกายพอจิตถอยออกจากสมาธิตัวนั้นนะมีร่างกายขึ้นมาเนี่ยหลวงพ่อเห็นอย่างชัดเจนเลยว่ากายกับจิตนเนี่ยโคล่านกันนี่หลวงพ่อแยกขันได้มาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นละแยกขันกายกับจิตโคล้าน แล้วตั้งแต่นั้นมาเนี่ยกายกับจิตมันไม่เคยรวมเป็นนั้นเดียวกันอีกเลยเพราะมันเคยดูจนร่างกายไม่มีแล้วแต่ก็ไปต่อไม่เป็นไม่ไไไรู้จะไปยังไงคลําหาทางอ่งานพระไตรปิฎกอ่านอะไรก็ไม่ไไไรู้จะไปยังไงจนอายุตั้ง 29, ยงี่สิบเหลวงปู่ดุล ก่อนเจอท่านนะไปอ่านหนังสือมันเจอธรรมเมาส์ดั้นแท่งอยู่จิตที่สองออกนอกเป็นสมูทยัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธธรรมดาของจิตย่อมสองออกนอกถ้าจิตส่งออกนอกแล้วไม่มีสตนะิก็เพื่อมันไว้เป็นสมูทยัยถ้จิตส อ, ออกนอก แล้วกระเพื่อมบันไไวนะมีผลเป็นทุกข์ถ้าจิตส อ, ออกนอกแล้วมีสติอยู่นะไม่กระเพื่อมบันไไวนะเป็นการเจริญมรรคนี่แล้วผลเป็นความพ้นทุกข์ท่านสุดท้ายก็บอกอันหนึ่งพระอริยเจ้าทั้งหลายมีจิตไม่ส่งออกนอกมีจิตไม่กระเพื่อมบันไไวนะมีสติสมบูรณ์เป็นวิหารธรรมอยู่ ยธรรมะขอาหลงปูดูลนะประมาณครึ่งหน้าประมาณครึ่งหน้าพออ่านแล้วมันสะเทือนเข้าถึงใจมันปิ๊งขึ้นมาน่ะว่าถ้าจิตไม่ทุกใครจะทุกถ้าจิตไม่ทุกใครจะทุกแต่ตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าท่านคือใครอยู่ที่ไหนมีแต่ชื่อพระรัตนกรมิสุทธ ้าเที่ยวถามคนไปเรื่อยๆนะใช้เวลาพักหนึ่งนะในการถามคนก็ได้ความว่ า, าท่านเป็นอาจารย์ของลูปูฟันได้ยินว่าเป็นอาจารย์ลูปูฟันเราก็ถอดใจละลูลปูฟันยังมรณาภาพไปแล้วเนยะอยู่มานะจนปลายปีสองสีมีคนมาบอกว่าท่านยังอยู่สุริน เลยขึ้นไปหาท่านกว่าจะเตรียมตัวลางานอะไรได้เลยขึ้นไปหกคุมพาอีสองห้าเจอท่านครั้งแรกหเห็นท่านปุ๊บน่จำได้เคยนั่งสมาธิเห็นท่านมา ก, ก่ว่ละแต่เห็นท่านนั้นเป็นนิมิตนะเ ป, นเป็นนิมิตไม่ใช่เรื่องจริงนะบอกซสก่อนเดี๋ยวจะว่าปฏิหาร หลพ่อไม่ชอบปฏิหารอะไรที่ไม่มีเหตุมีผลรองรับนะฟังหูให้หูไม่ยอมรับไม่ปฏิเสธก่อนจะเจอลงปุดโดนนะก็นานอยู่แล้วเห็นนั่งสมาธินะก็เห็นนิมิตเห็นเพลางหนึ่งเพาผอมๆแก่ๆตัวเล็กๆ ท่านไปยืนผลไม้อะไรให้เราลูกหนึ่งแล้วก็รับมาลูกกลมๆแล้วท่านก็สอนผลไม้เนี่ยจะเปรี้ยวหรือจะหวานมันเกิดจากเนื้อในของมันคนจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่จิตท่านสอน่นี้ไฟังเรื่องจิตมันเป็นนิมิตถ่ายทอดขึ้นมา เราก็สนใจเรื่องจิตแต่ไม่เคยมีครูบาอจารย์องคไหนสอนเรื่องจิตเลยไปที่ไหนก็มีแต่พุโทโธพิยารณกายท่านพุทธทาสก็ธรรมานาปนสติมันก็กายหลูพระเทียนขยับมือมันก็กายเชี่ยวคุณชวชดดูท้องพองยุบมันก็กายที่ไหนที่ไหนก็มีแต่กายเทานั้นเลยมีแต่ในนิมิตเหล่านี้ที่สอนบอกว่า ชั่วหรือดีอยู่ที่จิตแล้วเราจะเรียนรู้ยังไงไม่รู้วิธีพอไปเจอหลวงปู่ดุลนะท่านสอนเลยก่อนจะสอนนะก็เข้าไปกราบท่านบอกหลวงปู่ครับผมอยากปฏิบัติท่านบอกการปฏิบัตินะั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองท่านสอนอย่างนี้ให้อ่านจิตตนเองนะ หลวงพ่อก็เอาคําสอนเนี้ยมาดูทีแรกมาหาก่อนเแทนให้อ่านจิตตนเองจิตมันเป็นยังไงก็ไม่รู้จิตมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปอ่านก็ไม่รู้จะอ่านยังไงก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับจิตก็ทําทความสงบหน้ใหาใจข้าผพูดออกัวมาพอใจสงบแล้วพิจารณาจิตมันจะอยู่ที่ไหนจิตนต้องอยู่ในกายนี้ จิตไม่ได้ไปอยู่ข้างนอกหรอกเพราะงันะงต่อไปนี้การเรียนกรรมฐานการฝึกหัดปฏิบัติของเราเนี่ยจะเรียนรู้ไม่ให้เกินกายนี้ออกไปเพราะันจะไม่เรียนออกนอกนะนี่เป็นหลักของการปฏิบัติที่สำคัญมากนะถ้าอยากรู้ความจริงของตัวเองรู้กายรู้ใจตัวเองใด้จิตนีไปอยู่ข้างนอกไม่ได้กินหรอกเงั้นที่พวกเราภาวนานแล้วมันไม่ได้ผลนะ เพราะสมที่เราไม่ถูกจิตลําไฟอยู่ข้างนอกคนที่ใส่แว่ น, นแถวที่สองเนี้ยตอนนี้จิกออกนอกจิตไปอยู่ขนอกมาอยู่ที่หลวงพ่อบ้างหนีไปคิดบ้างอะไรย่เงี้ยจิตมันไม่ได้ย้อนมาที่ตัวเองดนั้นเรารู้ตั้งแต่วันแรกนะที่เจอลวงปู่ดูลแล้วว่าต่อไปเนี่ยเราจะไม่เรียนออกข้างนอกเราจะเรียนอยู่ในไม่เกินร่างกายนี่ออกไป เพื่อวันหนึ่งเราจะได้เห็นจิตล้วก็ค่อยๆแยกแยกแยกขันธ์นะมันแยกมาแต่เด็กแล้วมันไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรตอนนี้ลองแยกดูกายไม่ใช่จิตเห็นเลยดูไปเรื่อยในกายนะแต่ผมถึงเท้าเท้าถึงผมลไล่ขึ้นไล่ลงกายไม่ใช่จิตหรือว่าเวทนาเป็นจิต ทำสมาธิให้มีความสุขดูลงไปในความสุขไม่มีจิตเลยความจิตอยู่ในความทุกข์จะนั่งสมาธิให้จิตเป็นทุกข์นั่งไม่เป็นเพราะใช่กายเนี่ยนั่งไม่กระดุกระดิดนั่งจนมันปวดมันเมืนะ่อยแล้วดูลงไปในปวดในเมื่อยไม่มีจิตอีกพร้จิตไม่ได้อยู่ที่เวทนาจิตอยู่ที่ไหนหรือว่าจิตอยู่ในความคิดเนี่คยค่อยๆ ค, คลํานะ แล้อว่าจิตอยู่ในความคิด嘛ก็เจตนาคิดนะคิดบทส่วนมนะันพุโทโธสุสุโธกรุณามหันนาโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหันต์นบพอคิดพุดโทโธสุสุโธนะเราเห็นกระแสของความคิดเนี่ยมันเลื้อยออกมาจากกลางอกเลื้อยขึ้นมาอีก น, นะแล้วก็สลายไปพุ่ดขึ้นมาจากความว่างที่กลางหน้าอกเนี่ย แล้วก็สลายไปในความว่างทันทีที่เห็นกระแสของความคิดจิตก็หลุดออกจากโลกของความคิดนะตัวรู้เด่นดวงขึ้นมาพะตัวรู้ผุดขึ้นมานะโอ้ยตัวนี้เองเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วไม่รู้จะใช้ทาอะไรนี่เจอจิตแล้วหลวงปู่บอกให้ดูจิตวิทีจิตก็ไหลเข้าไปจับอารมณ์นะครุบอยู่กับอารมณ์เป็นก้อนเลย พยายามแก้แก้แก้ให้มันหลดุด้มาให้มันเป็นผู้รู้สว่างสมัยอยู่นี่แหละเจอจิตลเพราะงั้นเราจะดูรักษาตัวจิตผู้รู้เอาไว้เฉยเฉยสว่างว่างเนี่ยไม่มีกิเลสเลยว่างสว่างบริสุทธิ์เนี่ยเจอแล้วฝึกอยู่อย่างนี้สามเดือนนะขึ้นไปหาหลวงปู่ดุลได้จังหวะหลางงานไปได้ ไปกลับท่านผมดูจิตได้แล้วหลวงปู่มองหน้าเราก็รู้แล้วล่ะว่าไปทำอะไรมาท่านก็ถามเป็นยังไงจิตจิตมันวิจิตพิสดานมันปรุงแต่งได้เยอะเลยแต่ผมสามารถจัดการมันจนกระทั่งมันเป็นตัวรู้อยู่เฉยๆไม่คิดอะไรหลวงปู่บอกว่าปฏิบัติผิดแล้วไปแทรกแซงอาการบนจิต จิตมีธรรมชาติคิดนึกปลูกแต่งไปทํถ้าไม่คิดไม่นึกไม่ปลุงไม่แต่งก็คือการแต่งพบว่างๆขึ้นมาได้แต่ไม่คิดไม่นึกไม่ไม่คิดไม่นึกนะว่างๆโง่อยู่งั้นนะได้บอกผิดไปทําใหม่หลวงพ่อเพิ่งพูดเต็มปากเต็มคํานะมงคลบอกไปเรียนากหลวงปู่ดูลมาแล้วหลวงปู่ดูลสอนให้ทําจิตให้ว่างปู่ดูลไม่สอนหลวงพ่อไปทํามาแล้ว ตนท่านจวบเนอะดังเข้าใจคำสอนของครูบาอาจารย์ผิดนี่หลวงพ่อก็เอาใหม่ละเราไม่รักษาตัวผู้รู้นะเราจะคอยรู้การทำงานของมันปล่อยให้มันทำงานจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งลงปูบ อ, อกมันอยากจะคิดก็ให้มันคิดไปแต่พอมันคิดแล้วมันเกิดสุขก็มีสติรู้ท่าน เราก็เห็นว่าความสุขเมื่อกี้ไม่มีตอนนี้มีมีอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปไม่ ม, มีเกิดดับความสุขจะเกิดเมื่อความสุขจะดับเราก็สั่งไม่ได้ตัวนี้เห็นอนัตตาบางทีคิดคิดไปเรื่องนี้มีความทุกข์ความทุกข์เกิดขึ้นมีสติรู้ลงไปเห็นเมื่อกี้ไม่ทุกข์ตอนนี้ทุกข์ ทุกอยู่ชั่วคราวแล้วทุกก็าหายไปทุก็ไม่เที่ยงจิตจะทุกหรือจิตจะไม่ทุกทุกจะมาหรือทุกจะไปสั่งไม่ได้นี่อนัตตาเฝ้ารู้เองนี่จิตมันเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกไม่สุขไม่ทุกก็ไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเหมือนกันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเหมือนกัน เวลาจิตมันคิดไปเรื่องนี้แล้วมันโกรธขึ้นมากระทบอารมณ์แลโกรธไม่ชอบหงุดหงิดขัดใจคือเห็นนะความโกรธมันปุดขึ้นมาเมื่อกี้ไม่โกรธตอนนี้โกรธโกรธอยู่ช่วคราวแล้วก็ไม่โกรธอีกแล้วเกิดดับตัวนี้เห็นความไม่เที่ยงแล้วก็เรารู้ว่าเราสั่งไม่ได้จิตมันจะโกรธมันก็โกรธของมันเองมันจะเลิกโกรธมันก็เลิกของมันเอง มันไม่อยู่ในอำนาจบังคับนี่เห็นอนัตตาจิตมันโลบขึ้นมาเห็นมันเกิดจากความรู้สึกรักเห็นแมวรู้สึกรักเห็นหมารู้สึกรักอะไรเงี้ยเลยนั่งรถเมล์ไปเห็นผู้หญิงสวยๆใจมันชอบมีราคะแล้วก็ดูไป่็จิตตะกี้ไม่มีราคาตอนนี้มีราคะราคานี้อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับราคาไม่เที่ยง จิตจะมีราคาหรือจิตจะไม่มีราคาเราก็สั่งไม่ได้มันก็เป็นอนัตตาเฝ้ารู้เฝ้าดูเร่เดี๋ยวก็ใจลอยหลงจิตหลงจิตใจลอยหลงคิดเรื่องน้นเรื่องนี้ลืมตัวเองเมื่อกี้รู้สึกตัวอยู่ตอนนี้แป๊บเดียวใจลอยละใจลอยแล้วพอรู้ว่าใจลอยก็รู้สึกขึ้นไีกละใจลอยก็ดับเกิ จ, จิตรู้สึกขึ้นมาอีกละมันสลับกันไป ออจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงนะจิตผู้หลงคือจิตที่ใจลอยก็ไม่เที่ยงจิตผู้รู้เราก็รักษาไม่ได้จิตที่ใจลอยเราก็ห้ามไม่ได้เป็นอนัตตาเนื่อหลวงพ่อดูดูจิตใจด้วยอย่างนี้นะส่วนส่วนใหญ่ดูอยู่ในชีวิตจริงนี่แหละตอนนั้นหลวงพ่อพอดูจิตได้นะหลวงพ่อดูถูกการทำสมถะตรงนี้ผิดผิดนะผิดอย่างร้ายแรงเลย แต่หลวงพ่อทำสมาธิมายี่สิบสองปีกำลังสมาธิเนี่ยหนักหน่วงเต็มเต็มเปี่ยมเลยเพรนหลวงพ่อมาดูจิตหลวงพ่อไม่ได้ไปฝึกสมาธิเลยทิ้งเลยมันดูอยู่ได้สองปีดูได้สองปีแล้วสมาธิไม่พอจิตจะออกไปอยู่ข้างนอกมันเหมือนรู้ตัวอยู่แต่มันไม่เข้าฐานหรเพาะะนส่วนใหญ่ไม่ได้ฝึกในรูปแบบ จะฝึกอยู่ในชีวิตประจำวันวิธีฝึกในชีวิตประจำวันคือเวลาตามองเห็นเกิดความรู้สึกสุขทุกข์รู้ทันสุขทุกข์ดับไปรู้ทันเวลาตามองเห็นเกิดรา ค, ารคะรู้ทันเกิดโทสารู้ทันราคาโะโทสหายไปรู้ทั น, นเวลาหูได้ยินเสียงอยาเราได้ยินเสียงเพลงเพราะๆ ถ, ถูกใจ จิตมันมีความสุขขึ้นมารู้ว่ามีความสุขได้ยินเสียงที่เราไม่ชอบใจเสียงเขาด่ากันหุดหงิดหรือเสียงรถรถแวน้นสมัยนั้นเขาไม่มีไม่เรียกรถแว้นบอกนะเป็นแบบ้นๆุ้นนอย่างเงี้ยกลางคืนมันก็มาหนกหูอยู่ใกล้ใกล้บ้านเราโทรศัพท์เราก็ขึ้นเสียงนี้กระตุ้นโทรศัพท์ ได้ยินเสียงจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะเมื่อกี้ไม่มีตอนนี้มีกนะ็มีอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับโทสะก็ไม่เที่ยงก็บังคับไม่ได้จิตจะมีโทสะก็สั่งห้ามมันไม่ได้นะโทสะจะดับก็ไปดับมันไม่ได้มันดับมันเองตัวนี้เราเห็นอนัตตาเห็นนั้นจังเห็นอนัตตาจิตจะหลง หลงไปคิดเลยแล้วต่อมาชํานาญขึ้นเรารู้จิตลงไปดูก็ได้รู้จักจิตลงไปดูไหมยังเวลาเราดูอะไรสักอย่างนะดูดูใจเราไปอยู่ที่นุดสมัยโบราณมีหนังกลางแปลงเดี๋ยวนี้หนังกลางแปลงไม่มีคนดูนะเา้าฉายให้ผีดูอย่างเดียวเลยแก้บนเมื่อก่อนอยู่เมืองกาลมีหลวงพ่อ มีชิดพระพุทธรูปอง์หนึ่งทางวัดก็พยายามโปรโมนะอุย้ยขลังอย่างงน้นขลังอย่างนี้คนก็ไปบนเป็นพันๆคนไปบน่นมันก็ต้องมีคนได้อย่างที่บนบ้างอ่ะนะลงบนหลายๆคนมนก็ต้องได้บ้างอะ่ะที่วัดเนี่ยมีฉายนางกลางแปลงทุกคืนเลยไม่รู้วางแผนหรือเปล่าโคก็บไอ้คนฉายหนังเนี่ยผลประโยชน์แบ่งกันได้นะ หลงพ่อไปทัวรนะ์นั่งกลับมากลางคืนนะโอ้ยเขามีหนังกลางแปลงดูไม่มีคนเลยมีแต่คนฉายมันก็ฉายไปแลวมันก็นั่งคินเล่านั่งคุยอะไรก็มันเพลินไปนะไม่มีคนดูอย่างเนี้ยหนังกลางแปลงฉายให้ผีดูให้เทวดาดูยุคนี้ไม่มีใครดูแล้วดูจากมือถือดูจากจอทีวีก็ไม่ค่อยอยากดูแนละ้วดูเล็ก ใครเคยดูหนังกลางแปลงบ้างเวลาเราดูหนังรู้สึกไหมใจเราไปอยู่ในจอใจเราอยู่ที่จอวันนี้กลับไปดูทีวีนะที่บ้านยังมีไหมทีวีเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ะ่ะไ่มหลายบ้านไม่มีละที่วัดไม่มีนะมีแต่พวกเด็กคนงานมนะีพระไม่ได้ดูทีวีเวลาเราดูทีวีนะจิตลรจมลงไปอยู่ในจอ หรือเวลาเราจะดูอะไรเวลาเราดูอาหารมีอาหารเนี่จิตเราก็โจมลงไปอยู่ในถาดอาหารอันนี้พละก็เป็นอย่างตอนเช้าเนี่ยเลื่อนถาดไปเนี่ยหลวงพ่อเดินดูโยมบ้างดูพระบ้างองค์ไหนกระโดดลงไปคลุกอยู่ในอาหารในหม้อแกงหลวงพ่อก็จะเดินไปสะจิตขึ้นมาเดี๋ยวแกงก็บูด เนี่ยจิตมันหลงไปดูมันจะโจรเข้าไปเวลาฟังมันก็หลงไปฟังเวลาดูมันก็หลงไปดนะูเวลาได้กลิ่นก็หลงหลงดมกลิล่นอย่างสาวๆแต่ก่อนหลวงพ่อเคยเห็นนะเอาน้าหอมมาทามือนี้ยันก็ดงคล้ายๆหมานะหมามันเวลาดม น, นะอันอันนี้ไม่ชอบเอาอันใหม่มาทามันก็ทับกลิ่นเก่าเข้าไปด้วยนะ เริ่มเป็นกลิ่นผสมแล้วดมสุดท้ายไม่หอมมันไม่ชื่อสักอันกลิ่นมันตีกันมั่วไปหมดล้ะตอนที่ดมกลิ่นเนียมันลืมตัวเองนะเคยเห็นคนโทรศัพท์หมเมื่อไรคนโทรศัพท์ก็ลืมตัวเองนะคุยเพลินนั้นหลงอยู่ในความคิดนะคิดคุยโต้อตอบเพลินๆนั่นนะตัวตัวไปเรนะื่อยๆผู้หญิงบางคนอนะ สวยๆเลยเราก็เห็นอู้สวยเว้ไม่ใช่ตอนนี้นะตอนนี้เห็นเหมือนกันเลยว่าเหมือนเห็นต้นไม้ตอนเป็นโย็กเลยเห็นผู้หญิงบูมสวยผิดปกติเปล่าก็ปกติะอะถ้าเราเห็นผู้ชายสวยเลยค่อยว่าเรานี่เราเห็นผู้หญิงสวย ขณะที่ดูผู้หญิงอ่ะเราก็ลืมตัวอย่างอีกนะแล้วผู้หญิงอนะ่ะเขาโทรศัพท์เดินโทรศัพท์เพิ่งกินข้าวมานะมีอะไรติดฟันอยู่ ห, หมดท่าเลยนะหมดเลย เราเห็นปฏิกูลสุภาในฉับพลันนั้นเลยนะราคาที่กำลังกำเริบเนี่ยดับสนิทเลยแทบจะสาตุ น, น, รรานีครูกรรมฐานครูกรรมฐานเวลาเราหลงอยู่ในความคิดนะเราก็ลืมตัวขาดสติก็หลงหลงิตทำอะไรก็ได้พิลึกพิลึกหมดแนละ้วความงาม งั้นเราหลงได้หกช่องนะหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสอย่างบางคนอยากไดเอทอยากไดเอทนะตั้งใจเลยที่กินข้าวครึ่งจานต่างมันหนึ่งาจานบางคนว่ากินหนึ่งจานหมดนะยังเดินไปตักมาอีกจานหนึ่งกว่าจะรู้นึกขึ้นได้ว่าวันนี้จะไดเอทเนี่ย น, นะสามจานแล้วอิ่มแล้วยังรู้สึก นี่หลงกับรสหลงในรสเพลินลืมตัวเองไปลืมความตั้งใจไม่ใช่กินน้อยๆกินเยอะเลยนะันนเราหลงในในการมองเห็นหนะลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทางร่างกายนะอย่านั่งเพลินๆนั่งสมาธินั่งเก้าอี้อย่างนี้นะดูว่านั่งสมาธิเพลินมีอะไรนิ่มๆ ม, มาถูกขาเรา เราคิดว่าหมาน่ารักแตนะ่เมื่อกี้เห็นหมามอือตัวนะึงตัวนี้น่ารักนี่สะอาดสีสีสีเราสีจนเราลืมตาดูเห้ยเป็นหมาขี้เลือนนะ่นะตอนมันสัมผัสเนี่ยนะสัมผัสเนี่ยเราพอใจนะตอนนิดว่าหมาสวยหมาน่ารักสะอาดพอลืมตาจะเป็นหมาขี้เลือนนะขยักขยั่งโทสะขึ้นแล้ว ตอนที่หมามาสัมผัสนราก็เพลินใครชอบนวดบ้างชอบให้หมอนวดยกมือสิมีมากกว่านี้นวดนวดใช่ไหมเพลินไหมเพลินหลวงพ่อไม่ชอบให้คนนวดนะหลวงพ่อเคยเห็นพระองค์หนึ่งเป็นสมภารเนยนะให้หมอนวดนะ่ะนวดสะคอหักเลย ก็จะไปตามขอไหมเวลาจะหันหันด้วยความรู้สึกตัว ห, หันต้องอย่างนี้เลยนะ <laughs> <laughs> เวลานวดรู้สึกไหมมันเพลินมันเพลิดเพลินกับผลทพะการสัมผัสทางกายหนะมาแมวก็เหมือนกันเราไปลูปลูบนะ้ําก็หลับตาคลิ้ม มันเพลินในสัมผัสทางกายในขณะนั้นมันขาดสตินะเราเองเวลาสัมผัสทางกายมันที่ะขาดสติงั้นเราหลงได้หกช่องนะตาหูจมูกลิ้นกายใ จ, ใจหลงทางใจส่วนใหญหลงคิดในขณะที่หลง น, นัง้นไม่มีสติแต่ตอนที่เรารู้ทันว่าเอา้าวเมื่อขี้หลงเนี่ยจิตจะตั้งมั่นมีผู้รู้ขึ้นมามีสติขึ้นมาว่าหลงได้ไหม หลงได้เช่นเดียวกันรอบได้โกรธได้นั่นแหละแต่อย่าหลงนานอย่าโอบนานอย่าโกรธนานรู้ไวๆว่านี่กกรดแล้วนะนี่รอบแล้วนะ น, นี่หลงแล้วนะรู้ไวๆไวหัดรู้บ่อยๆมันก็รู้ไวๆมันรู้ได้ไวเองเลยสติเราจะเจีตแล้วตั้งมั่นเป็นคนดูถึงจะเดินปัญญาแล้วเราก็จะเห็นนะความหลงเกิดแล้วก็ดับความโลบเกิดแล้วก็ดับ ความโกรธเกิดแล้วก็ดับความดีเกิดแล้วก็ดับสุขเกิดแล้วก็ดับทุกข์เกิดแล้วก็ดับเฉยๆ เ, เ, เกิดแล้วก็ดับเนี่ยเรียนซ้าแล้วซ้ำอีกอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยแต่ของเราต้องทำสมาธิด้วยนะสมาธินะาธเราไม่มีต้นทุนเพนทุกวันแ บ, บ่งเวลาทำในรูปแบบไห้จะอยู่กรรมฐานอะไรก็อยู่ไปให้ใจมันได้อยู่ในอารมณ์มันเดียวได้พักผ่อ น, นจิตอยมีแรง หลวงพ่อตอนหัดทีแรกไม่เอาสมาธิเลยเพราะมันเต็มอยู่แล้วคล้ายๆเรามีแบตเตอรี่เราพ่วงทั้งหลายตัวนะมีพาวเวอร์แบงค์มียยเลยรเยอะแยะเลยไม่ต้องมาชาร์จเพราะเราต้องชาร์จทุกวันแบ่งเวลาให้ทําในรูปแบบก็อยู่ในชีวิตเนี่ยเจริญสติในชีวิตประจําวันตาหูจมูกเลี้ลลาายก็ใช้กระทบอารมณ์แล้วเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดเฉยๆให้รู้ เกิดโลภกรดลงให้รู้เขารู้ไปแล้วเดี๋ยววันหนึ่งจะเห็นนะจิตทุกอย่างเกิดแลดับจิตทั้งหมดไม่มีตัวเราของเราเลยนะเห็นความจริงนะนะเห็นจิตไม่ใช่เราเนาะกายมันก็ไม่ใช่เรากายมันของถูกรู้ถูกดูอยู่ตั้งแต่แรกแนละ้วมันไม่ใช่เรามาแต่ไหนแต่ไร น, นะดูง่ายนะดูยากที่จิตนะเห็นว่าจิตเป็นเราเพิรู้เพิดูอย่างนี้ไป ถ้าจะได้ธรรมะถ้าปฏิบัติถูกแล้วปฏิบัติมากพอนะเี่กาทํากลับใหม่ที่ดีมีบุญเก่าส่งผลมานะร่วมกันต้นทุนก็มีมาต่อยอดมีทุนแล้วก็ไม่ได้กินทุนไปเรื่อยๆบางคนมีทุนแล้วกินทุนนะไม่ทําความดีเพิ่มนะบุญเก่าก็หมดไปเรื่อยๆเรามีบุญเก่าของเรานะไม่ใช่ไม่มีเราเกิดเป็นมนุษย์ ไม่บ้าใบา บ, า บ, าบอดหนวกถนะือว่าไม่ได้เป็นคนอาภัพคนบ้าใบา บ, า บ, าบอดหนวกตั้งแต่กาเนิดเรียนธรรมะไม่ได้มันสื่อคนอื่นไม่ได้พวกเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจสมบูรณ์เพราะนั้นเราเอามาเนี่ยต้นทุนที่ดีของเราเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจมาฝึกกรรมฐานมีตาก็ดูหูฟังจมูกได้กลิ่นดิ้นกระทบรส กายก็ต้องสมผัสใจก็ต้องความคิดอะไรเกิดขึ้นในจิตใจรู้ไปในเวลาไม่นา น, ต, นต้นต้นมีมีตาหูจมูกเลิ้นงแก่ใจที่ดีขยันภาวนาภาวนาถูกแล้วก็ขยันทำมากพ้ยจะหนีไปไหนตัวอย่างมีเหตุถูกต้องแล้วผลนว่าตเกิดเองทำเหตุคือศีล ส, สมาธิปัญญาสมบูรณ์ขึ้นมา อริยมรรคอริยผลก็เกิดต้องเกิดเงื่นฝึกเข้าไปนะการปฏิบัติในชีวิตประจำวันสําคัญที่สุดนะตัวรองลงมาก็คือการทําในรูปแบบต้องทําถ้าไม่ทนะําแล้วสมาธิไม่พอเจริญสติปัญญาในชีวิตประจําวันทําไม่ได้แชนฟงุงซ่านถ้าทําอย่างที่หลวงพ่อบอกได้นะทําในรูปแบบทุกวัน ว่าเจริญสติในชีวิตว่จะจำมันไปมรรคผลอยู่ไม่ไกลแต่มีกันต้องถือศีลห้าถ้าไม่ถือศีลใจจะฟุ้งซ่านสมาธิจะไม่เกิดสมาธิที่เกิดแล้วก็จะเสือ่อมยัง้งรักษาศีลห้าไว้นะไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนคนอื่นนี่เบียดเบียนทางกายของเขาเนี่ยศีลข้อหนึ่ง เบีเบียนทรัพย์สินของเขาศี่ข้อสองเบีดเมียนคนที่เขารักในีิข้อสโกหหลอกลวงเขานี่ผิดสิ่งข้อสนะก็ข้อห้าเนีเบียดเบียนสติสัมปชัญญาของตัวเองมีโทษร้ายแรงที่สุดถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะไม่มีโอกนนาสได้มาผลนิพพานรักษาสิ่งห้าไว้ทุกวันทําในรูปแบบ เวลาที่เหลือมีสติในชีวิตประจำวันไปกินข้าวนี่หมด น, นะครับ